สำหรับผู้ที่มีความปรารถนามากพ้นนิพพานมีความปรารถนาวิมุตติหลุดพ้นอยากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เจริญ คุณธรรมดังต่อไปนี้คือหนึ่งความมักน้อยสองความสันโดษสการเปกวิเวกสการไม่คุกคลีกันห้า ความภาคเพียนหศีลเจสมาธิและ 8. ปดปัญญานี่คือคุณธรรมที่จะสนับสนุนที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุถึงมรรคผล น, ผนิพพาน ได้บรรลุถึงวิมุติการหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดคุณธรรมข้อที่หนึ่งคือความมากน้อยแปลว่าความไม่มากมากนั่นเองความไม่โลภมากความไม่อยากได้อะไรมากมากอยากได้เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่นเสื้อผ้าก็ให้พอมีพอใส่ได้ก็พออาหารก็พอประมาณไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปให้พอดีต่อความต้องการของร่างกายที่อยู่อาศัยก็ไม่ต้องใหญ่โตไม่ต้องหรูหราขอให้ หลบแดดหลบฝนหลบภัยอันตรายต่างๆได้ก็พออย่ารักษาโรคก็รักษาไปตามกำลังตามฐานะนี่คือปัจจัยสี่ที่ผู้มีความน้นอย ควรที่จ ะ, ะพิจารณาสำหรับผ้าพิกษุพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้มีบริขารแปดชิ้นที่เรียกว่าอัฐบริขารคือบาตหนึ่งใบเพื่อการหาอาหารผ้าหนึ่งไตรหนึ่งชุดผ้าสามผืนเรียกว่าไตรจีวร ไว้สำหรับนุ่งหม่มแล้วก็เข็มกัดได้ไว้สำหรับปะเย็บจีวรเวลาขาดประคตเอวสำหรับไว้รอดเอวใบมีดโกนไว้สำหรับตรงผมตรงหนวดและที่กรองน้ำไว้สำหรับเวลาตักน้ำจากลำธาร จากบึงจากบ่อกรองไม่ให้มีตัวสัตว์ติดขึ้นมานี่คือความมากน้อยของนักบวชของพระภิกษุพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระมีสมบัติเพียงแปดชิ้นก็พอแล้วไม่มีมากเกินไปเพราะจะเป็น ภาระโดยไม่จำเป็นมีมากก็ต้องดูแลกันมากก็จะทำให้เสียเวลาดึงเวลาที่จะเอาไปใช้กับการปฏิบัติธรรมต้องเอาเวลามาใช้กับดูแลรักษาปัจจัยสี่นี่คือความมักน้อย เอาน้อยน้อยเอาเท่าที่จำเป็น เ, เพราะว่าจะได้ไม่ต้องดูแลกันมากไม่ต้องมีภาระกันมากเวลาจะไปไหนมาไหนก็จะสะดวกง่ายได้ผู้ปฏิบัตินี้โดยเฉพาะพระภิกษุนี้ท่านมักจะต้องไปเปรกวิเวกไปอยู่ที่สงบ ถ้าท่านมีข้าวของมากก็จะไปลำบากแต่ถ้าท่านมีเพียงอัถ บ, บริคารท่านก็สามารถไปทุดดงได้อย่างง่ายดายไปปีกวิเวกไปหาที่สงบสงัดเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมธรรมที่จะนำมาสึ่งความสงบนี่คือข้อที่หนึ่งความมักน้อย ข้อที่สองก็คือสันโดษความยินดีตามมีตามเกิดถ้ามีไม่พอก็ยินดีตามสภาพเช่นอาหารบางวันอาจจะไม่พอฉันบินตบาตบางครั้งไปบินตบาต ท, ที่กันดานคนใส่ไม่มากอาจจะได้อาหารมาไม่พอก็ให้มีความยินดีกับ อาหารที่ได้มาหรือไปพักตามสถานที่ต่างๆอาจจะไม่ได้พักในกุฏิอาจจะต้องไปพักที่โคนไม้ต้องปักกลดกลางร่มกดก็ยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปจู้จี้จุกจิก อย่าไปกำหนดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ปรับใจของเราให้เข้าให้เข้ากับสภาพที่เราต้องเผชิญนี้ดีกว่าที่จะไปปรับสภาพที่เราจะต้องเผชิญเพราะการปรับใจนี้ง่ายกว่าและเป็นไปได้และจะทำให้ใจเราสงบ การไปปรับสภาพต่างๆที่เราจะต้องประเชิญนี้บางทีก็ปรับได้บางทีก็ปรับไม่ได้ถ้าปรับไม่ได้ก็จะมีความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจแทนที่ใจจะสงบใจกลับต้องมาวุ่นวายกับการปรับกับสภาพต่างๆที่จะต้องประสบพบเห็นหรือจะต้อง เกี่ยวข้องด้วยถ้ามีสันโดษนี้จะสบายจะสบายกับทุกสภาพยินดีตามมีตามเกิดพอใจกับสิ่งที่มีอยู่เรนจิยินดีกับสิ่งที่ได้รับจะได้อะไรมามากน้อยก็ยินดีถ้ามากเกินไปก็สละไปแบ่งปันให้ผู้อื่นไป ไม่จู้ที่จุกจิกไม่จำเป็นว่าจะต้องเอาพอดีมากน้อยพอใครให้อะไรมามากๆก็ไม่พอใจอย่างนี้ก็ไม่ถูกถ้าใครเขาให้อะไรมาก็รับไว้ตามมารยาทเพื่อไม่ให้เสียมารยาทเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจรับมาแล้วถ้าเราไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ก็แจกจ่ายแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นไป อันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการมากๆ ม, มันได้มากมามากด้วยศรัทธาด้วยความไม่ตรีจิตของผู้อื่นก็รับไว้ได้ไม่ใช่ว่าพอเรามากน้อยแล้วพอใครให้อะไรมากๆกมากก็จะปฏิเสธไปอย่างพระบางครั้งไปบินตบาทนี่ต้องถ่ายบาทวันแล้วไม่รู้กี่ครั้ง ก็ต้องรับต้องถ่ายไปตามศรัทธาของผู้ที่มีความปรารถนาในการทำบุญใส่บาตรนี่คือเรียกว่าความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดไม่จุจี้จุกจิกอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ กินอะไรก็กินได้กินเพื่อประทังชีพไปวันวันหนึ่งถ้าอาหารที่กินนั้นไม่ทำให้เกิดโทษแก่ร่างกายก็กินไปถึงแม้ว่าจะไม่ถูกปากถูกใจก็กินเพื่ออยู่เท่านั้นไม่ได้กินเพื่อความสุขความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การกินความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การ ไม่มีความวุ่นวายใจกับเรื่องของการกินถ้าวุ่นวายใจกับเรื่องของการกินอันนี้ถึงแม้ว่าจะได้กินตามที่อยากจะกินแต่ใจมันจะไม่มีความสุขอันนี้คือเรื่องของความสันโดษข้อที่สามการเปรกวิเวก ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ปรารถนามรรคผล น, ผนิพพานจำเป็นที่จะต้องหาที่บาเพ็ญหาที่สงบที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆที่จะเป็นเครื่องรบกวนใจที่จะทำให้ใจไม่สงบใจไม่หลุดพ้นจึงต้องเีกวิเวก สถานที่ปิกวิเวกในประวัติในเท่าที่เราได้ศึกษากันมาก็ตามป่าตามเขานี่องพระพุทธเจ้าท่านก็เปีกวิเวกอยู่ในป่าครูบาจารย์ต่างๆท่านก็ไปปีกวิเวกอยู่ตามป่าตามเขาเพราะป่าเขาลำนาวลำนาภัยนี่แหละเป็นที่เกิดของพระอริยะเจ้าทั้งหลาย เป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้าเป็นที่เกิดของพระอาหารหันตสาวกเป็นที่เกิดของธรรมทั้งหลายเช่นมรรคผลนิพพานอยู่ที่การไปปีกวิเวกนี้ผู้ที่บำเพ็ญปฏิบัติธรรมจำเป็นจะต้องไปปีกวิเวกไปอยู่ตามลำพังไปอยู่ห่างกายจากเรื่องราวต่างๆ เพระเวลาอยู่ใกล้กับเหตุการณ์กับเรื่องราวต่างๆก็จะถูกเรื่องราวต่างๆนั้นฉุดลากไปจะทําให้ไม่สามารถที่จะทําใจให้สงบไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นพระอริยสัจสีได้การปีกเวกจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญอย่างมาก สำหรับผู้ที่ปรารถนามรุญ น, นิพานผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดข้อที่สี่คือการไม่คุกคีกันไม่ยุ่งเกี่ยวกันถึงแม้ว่าไปเปกววเสมัยนี้ก็ยังสามารถที่จะคุกคีกันได้ผ่านสื่อ ผ่านสื่อสารผ่านเครื่องสื่อสารเช่นโทรศัพท์มือถือถ้าไม่คุกคีกันก็ต้องปิดเครื่องไปถ้าเปิดเครื่องติดต่อกันนี่ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้คุกคีด้วยทางกายคือร่างกายอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่ใจก็เหมือนกับไม่ได้อยู่ห่างกันเพราะก็ยังติดต่อกันได้เหมือนกับ เวลาที่อยู่ต่อหน้ากันก็ยังก็ถือว่าเป็นการคุกคลีกันอยู่ควรที่จะปิดโทรศัพท์มือถือปิดเครื่องสื่อสารต่างๆอย่าไปรับรู้เรื่องของคนนั้นของคนนี้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้สมัยที่อยู่กับหลวงตาท่านก็ห้ามไม่ให้ดูหนังสือพิมพ์ ห้าไม่ให้ฟังวิทยุห้ามไม่ให้มีโทรศัพท์สมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์มันต้องใช้สายที่วัดไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่สามารถติดต่อกับใครได้ไม่ให้ดูโทรทัศน์เพราะว่ามันจะเป็นการทําให้จิตใจปรุงแต่งพุ่งสร้าง ไม่ได้ทำให้จิตใจสงบจึงต้องไม่คุกคีกันต้องอยู่ตามลำพังอยู่แบบเป่าเปี่ยวเดียวได้อยู่เหมือนคนตายตายจากทุกสิ่งทุกอย่างตายจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะตายจากลาบยศสรรเสริญตายจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้และสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าไม่มีเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆมาเกี่ยวข้องการที่จะทำใจให้สงบมันก็จะง่ายและสามารถทำได้อย่างรวดเร็วดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ไม่ให้ครุกคลีกันข้อต่อมาก็ให้มีความภาคเพียรให้หมันเพียรปฏิบัติธรรมตั้งแต่ ตือนขึ้นมาจนหลับธรรมที่ควรที่จะเจริญในเบื้องต้นก็คือสติเพราะสตินี้จะเป็นธรรมที่จะทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาต้องภาคเปลี่ยนเจริญอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ให้ตั้งสติให้มีเครื่องกํากับใจควบคุมใจอย่าปล่อยให้ใจ คิดเรื่อยเปื่อยคิดถึงเรื่องทางราบยศสรรเสริญทางลูกเสียงกลิ่นรสปุถุพะถ้าจะคิดก็ให้คิดในเรื่องของธรรมเช่นคิดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้ายังไม่มีความสงบนี้แม้แต่การจะคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่ควรที่จะคิด นอกจากมันเจอความทุกข์และต้องใช้อ น, นิจังทุกขังอนัตตาดับถ้าใช้ได้ดับได้ก็ก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าใจยังไม่สงบยังไม่รวมนี้กวรที่จะควบคุมความคิดควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เช่นการบริกรรมพุโทโธหรือการท่องสวดมนหรือรสวดพระสูตรต่างๆเพื่อให้ใจนั้นเป็นหนึ่งก่อนให้ใจสงบให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าใจไม่สงบไม่รวมเป็นหนึ่งแล้วนีปัญญาก็ยังจะไม่เป็นภาวนามะยะปัญญาถ้าเป็นปัญญาก็เป็นปัญญาระดบ ปัญญาอบรมสมาธิปัญญาที่ระ ง, งับความคิดพุ้งสร้างต่างๆแต่ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปละตันหาความอยากต่างๆที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจได้อย่างถาวรถ้าไม่มีภาวนาเมาย์ปัญญาแล้วจะไม่สามารถที่จะ ละสังโยชน์ต่างๆได้จำเป็นที่จะต้องมีสมาธิก่อน<ม>การเจริญสติเพื่อให้จิตตั้งมั่นให้รวมเป็นสมาธิจึงเป็นเรื่องที่สำคัญกวอนที่จะเจริญภาคเพียนตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเรื่องของศีลก็เช่นเดียวกันภาคเพียน นักษาศีลศีลของผู้ปฏิบัตินี้ก็ต้องตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลแปดก็เป็นศีลของอุบาสกอุบาสิกาศีลสิบก็เป็นของสา ม, มนเณรศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็เป็นของพระภิกษุนี่คือศีลที่จะต้องเป็นเครื่องคอยล้อมค้อตันหาต่างๆกิเลสต่างๆ ไม่ให้ออกปาสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ปฏิบัติสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นแล้วจะทําให้จิตใจวุ่นวายจิตใจไม่สงบแล้วจะทําให้เสียเวลาต่อการปฏิบัติจึงจำเป็นที่จะต้องรักษาอย่างศีลแปดถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกา เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปทำกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติเช่นการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นหรือการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบเขตไ ม, มเมไม่มีเวลาไม่มีเวลาถ้ารักษาศีลแปดก็จะ ถือศีลข้อสามเป็นอ布拉มจริยาเวรามณีไม่ร่วมหลับนอนกับไทศีลข้อหก็ไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะการรับประทานอาหารมากเกินไปก็จะทำให้ง่วงเหงาเหานอนและจะทำให้เสียเวลาต่อการนำเอาไปปฏิบัติ เพราะจะมัวยุ่งต่อกับการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็รอรับประทานอาหารเย็นก่อนรับประทานอาหารเย็นก็อาจจะรับประทานของว่างของหวานของเล่นไปก่อนมีเรื่องให้รับประทานได้ตลอดเวลาจนถึงเวลาที่จะนอนก่อนนอนก็ยังจะรับประทานกันอีกถ้าไม่ถือศีลแปดไม่ถือศีข้อหกนี้ เวลาก็จะหมดไปกับการรับประทานอาหารรับประทานขนมนมเนยอะไรต่างๆแล้วก็จะไม่สามารถที่จะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิเจรณสติเจรณสมาธิจจรณปัญญาได้ก็นี่คือสินข้อสามและสินข้อหกถ้าร่วมหลับนอนกันก็จะไม่ปฏิบัติธรรม นานคืนรับประทานอาหารเสร็จอิ่มแล้วก็ไปร่วมหลับนอนกันหลับนอนเสร็จก็หลับกันไปจนจนสว่างเวลาที่จะนำเอามาปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีเช่นเดียวกับสีนข้อที่เจ็ดคือการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะในรูปแบบของมอหรสพและเครื่องบรรเทิงต่างๆหรือการออกไป เที่ยวตามสถานท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ถ้าถือศีลข้อเจ็ดนี้ก็จะทําไม่ได้ก็จะมีเวลาที่จะได้มาบําเพ็ญได้มาปฏิบัติได้เช่นถ้าไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วพอช่วงบ่ายๆหลังจากรับประทานอาหารไปสักสองสามชั่วโมงอาการง่วงเหงาเหานอนก็จะหมดไป แล้วก็จะไม่ต้องมากังวลกับการรับประทานอาหารเย็นอาหารค่ำหรืออะไรก่อนนอนอก็สามารถที่จะบาเพ็ญที่จะปฏิบัติได้เลยหลังจากรับประทานอาหารไปแล้วช่วงกลางวันตอนบ่ายนี้ก็จะปฏิบัติได้หรือถ้าอยากจะเพิ่มเวลาการปฏิบัติก็รับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวเลยรับประทานตอนเช้าอย่างพระ นี้ท่านไปบินตาบาตตอนเช้าพอกลับมาจากการบินตบาตก็มาฉันกันที่ศาลาฉันเสร็จก็ประมาณเก้าโมงสิบโมงท่านก็เรียบร้อยแล้วท่านก็จะกลับไปเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือพักผ่อนสักชั่วโมงสองชั่วโมงหลังจากนั้นหลังเที่ยงไปแล้วท่านก็จะสามารถลุกขึ้นมาปฏิบัติได้จนถึง สว่างเลยอันนี้ก็เป็นการรักษาศีลเพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติธรรมคือสมาธิและปัญญาถีลข้อที่เจ็ดนอกจากการไม่ไม่เสียเวลาไปกับเรื่องมหรสพบันเทิง แล้วก็ไม่เสียเวลากับการเสริมความงามของร่างกายด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอา่อ์ที่สวยงามวิจิตรพิสดารเสริมหน้าตาด้วยเครื่องสำอางเสริมด้วยน้ำมันน้ำหอมทำเผ้าทำผมนีถ้าทำอย่างนี้ก็แสดงว่าจะต้องมีการออกไปนอกบ้านนั่นเอง ไปตามงานบันเทิงไปตามงานสังคมต่างๆผู้ที่ถือศีลข้อนี้ก็จะต้องระงับเรื่องงานต่างๆเรื่องงานบันเทิงเรื่องงานสังคมต่างๆงานแต่งงานงานวันเกิดงานเลี้ยงอะไรต่างๆไปเพื่อที่จะได้มีเวลามาปฏิบัติทำข้อข้อต่อไปก็คือสมาธิ พระอาจาสอนให้ปฏิบัติสมาธิก่อนแล้วค่อยปฏิบัติปัญญา <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิแล้วปัญญาจะเป็นปัญญาแค่กินตามายาปัญญา <Yeah. S 1> เป็นเป็นปัญญาที่ยังไม่สามารถที่จะกาจัดตัณหาความอยากต่างๆไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ yeah. จำเป็นที่จะต้องมีสมาธิก่อนและการที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องไม่พังไม่เพอไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คอยควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นคำบริกรรมพุทธโธหรือการสวด มนสวดพระสูตรหรือจะใช้อารมณ์อย่างอื่นก็ได้เช่นการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายถ้านั่งอยู่นั่งหลับตาก็ดูลมหายใจเข้าออกนี่คือเป็นวิธีที่จะทำให้ใจรวมเป็นหนึ่งใจเป็นสมาธิใจมีอุเบกขา ใจมีความสุขต้องมีความสุขใจก่อนถึงจะสามารถไปเจริญปัญญาได้เพราะการเจริญปัญญาก็เพื่อละความสุขต่างๆที่เกิดจากความความอยากความต้องการของใจนั่นเองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความอยากมีอยากเป็นความอยากให้อยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่ จะละได้ก็ต่อเมื่อใจมีความสุขในตัวเองแล้วถ้าใจยังไม่มีความสุขใจก็ต้องออกไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัพจากการได้เป็นอย่างนั้นได้เป็นอย่างนี้ได้มีอย่างนั้นได้มีอย่างนี้หรือจากการที่ไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้ใจจะปล่อยวางไม่ได้ใจ ไม่มีเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจไม่มีความสุดหล่อเลี้ยงจิตใจก็เลยต้องไปหาอย่างอื่นไว้คอยหล่อเลี้ยงจิตใจหารูปเสียงกลิ่นรสผลพระมาหล่อเลี้ยงจิตใจหาร่างกายรักษาร่างกายดูแลร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายเพราะถ้าร่างกายเป็นอะไรไป ใจก็จะไม่สามารถหาความสุขได้ถ้าไม่มีความสุขภายในใจนี้จะหยุดการหาความสุขภายนอกใจไม่ได้จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างความสุขภายในใจขึ้นมาให้ได้ก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราวก็เป็นความสุขที่พอที่จะทำให้ปล่อยวางความสุขความสุขภายนอกได้เพราะว่า ความสุขภายนอกนั้นมันมีความทุกข์ด้วยการปล่อยวางความสุขภายนอกนี้ก็เพื่อปล่อยวางความทุกข์ที่มากับความสุขภายนอกนั่นเองถ้าพิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าความสุขต่างๆภายนอกนี้มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ข้างในพอความสุขปลอมนี้ เสื่อมไปจางไปหายไปความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันก็ไม่ได้ทุกข์กับเรื่องอะไรก็ทุกข์กับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสทุกข์กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราไปคิดว่าให้ความสุขกับเรานั่นเองแต่เวลาที่เขาเสื่อมไปเวลาที่เขาเปลี่ยนไป เวลาที่เขาหมดไปอันนี้เขาก็จะไม่ได้ให้ความสุขแล้วก็จะให้ความทุกข์แทนผู้ที่จะละความสุขเหล่านี้ได้ละความทุกข์ที่ถูกคุ้มห่อด้วยความสุขปลอมนี้ได้จะต้องมีปัญญาจะต้องเห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสุข และต้องมีความสุขใจอยู่คือรู้ว่าถึงแม้ไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ได้มีความสุขได้ด้วยการเข้าไปหาความสงบเวลาเกิดความอยากก็แทนที่จะไปทำตามความอยากก็กลับเข้าไปในสมาธิหรือถ้ามีมีกำลังมีมีม ปัญญาที่แหลมคมก็อาจจะหยุดความอยากได้เลยถ้าหยุดความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปแล้วความสุขที่ถูกความอยากทําลายไปนั้นก็จะกลับคืนมาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิอันนี้คือหน้าที่ของปัญญาปัญญานี้จะมาทําลายตันหาความอยากต่างๆ ที่เป็นตัวที่คอยทำลายความสุขที่ได้จากความสงบถ้าปัญญาที่เป็นภาวนามมยะปัญญานี้ทำลายตันหาความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปแล้วความสงบที่เกิดจากการหายไปของตันหาความอยากก็จะปรากฏขึ้นมา ถ้าสามารถทำลายตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ความสงบก็จะมีอยู่กับใจไปตลอดความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะอยู่กับไปกับใจไปตลอดไม่ต้องไปหาความสุขภายเนอกใจอีกต่อไปไม่ต้องใช้ปัญญาคอยสกัดคอยทำลายตันหาความอยากต่างๆ เพราะปัญญาได้ทำลายไปหมดแล้วเมื่อปัญญาได้ทำลายตัณหาไปหมดแล้วก็จะไม่มีตัณหาโผลขึ้นมาอีกต่อไปเหมือนกับต้นหญ้าถ้าได้รับการถอดถอนอารากของมันขึ้นมาจากดินแล้วต้นหญ้านี้ก็จะไม่มีวันที่จ ะ, จะเจริญงอกงามได้แต่ถ้าเอาหินไปทับเอาไว้นี่ เวลายกหินออกนี้ต้นญ้าก็ยังสามารถเจริญงอกงามต่อไปได้ดังนั้นเวลาที่ยกหินออกจากญ้าแล้วก็ต้องขุดถอนรากของย่ากออกมาจากดินพอญ้าถูกถอนรากของญ้าถูกถอนออกมาจากดินแล้วต้นญ้าก็จะไม่มีวันที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้ฉันใดความทุกข์ต่าง เกิดจากความอยากนี้ก็จะหมดไปถ้าใช้ปัญญาถอดถอนรากของตัณหาความอยากรากของตัณหาความอยากก็คือความหลงนี้เองความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่ความสงบของใจแล้วไม่รู้ว่าสิ่งที่ไปหานั้นที่คิดว่าเป็นความสุขนั้น ความจริงแล้วเป็นความทุกข์เพราะว่าเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีเกิดแล้วก็มีดับไปมีเจริญแล้วก็ต้องมีวันเสื่อมไปเช่นลาบยศสละเสริล ร, รูปเสียงกลิ่นรสนี่มีมามีไปมีเจริญมีเสื่อมและตาหูจมูกลิ่นกายที่ใช้ในการเสพความสุข เหล่านี้ก็มีการเสื่อมเช่นเดียวกันมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บและมีการตายไปเช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่ถาวรในบรรดาสิ่งที่ใจไปใช้ในการหาความสุขเป็นความสุขชั่วคราวแล้วพอเวลาที่ความสุขนั้นหมดไป ความทุกข์ก็จะตามมาเพราะความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆยังมีอยู่จึงเป็นเหตุที่ทำให้ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาร่างกายนี้ตายไปความอยากนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายความอยากต่างๆนี้อยู่ภายในใจใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ความอยากต่างๆที่อยู่ในใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็จะดึงใจผักใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มีตาหูจมูกลิ้นกายไว้เสพรูปเสียงกลิ่นลดผธภพะต่อไปใหม่อันนี้เป็นเหตุที่ทำให้สัตว์โลกนั้นต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็เกิดในพบน้อยพบใหญ่พบสูงพบต่ำ ก็เพราะบุญกรรมที่ได้ทำไว้ในขณะที่แสวงหาความสุขต่างๆนี่เองถ้าแสวงหาความสุขต่างๆด้วยการทำบาปก็จะเป็นมีโทษตามมาโทษก็คือการที่จะต้องไปเกิดในอบายในอบายก็มีอยู่สี่ที่ด้วยกันเดลาชานเปรตอสุรกายและนารกเลย อันนี้เป็นที่ไปของผู้ที่ทำบาปต่างๆถ้าทำบาปด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นเดรัจฉานด้วยความหลงไม่รู้ว่าเป็นโทษนะก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆก็จะไปเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัว กลัวว่าจะถูกเขาทําลายก็เลยไปทําลายเขาก่อนทาร้ายเขาก่อนอันนี้ก็จะทําให้ไปเกิดเป็นอสูรร่กายถ้าทําบาปด้วยความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็จะไปตกนรกนี่คือภพภูมิต่างๆที่เกิดจากการมี กาความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากลาบยศสรรเสริญก็จะต้องมีภบชาติตามมาภบชาตินี้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำว่าทำบาปหรือไม่ทำบาปถ้าไม่ทำบาปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่ทำบาปแล้วก็ได้ทำบุญด้วยมีเจ็ดเมตตากรุณามีอะไร เหลือกินเหลือใช้ก็แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นไม่หวงเก็บเอาไว้เพราะรู้ว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ใช้มันก็เอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือไปสร้างมตรีจิตสร้างความเมตตาสร้างมิตรภาพต่อผู้อื่นเวลาตายไปก็จะไปได้เป็นเทวดา ในชั้นต่างๆแล้วพ อ, พอบุญที่ได้ทำไว้ได้หมดไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับอบายที่ไปเกิดพอบาปที่ได้ไปใช้ได้ปเกิดในอบายได้ไปใช้บาปหมดแล้วเหมือนกับไปติดคุกติดตารางพอพ้นโทษเขาก็ปล่อยออกมาให้อยู่ในสังคมต่อไป ผู้ที่พ้นโทษจากอบาลก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ผู้ที่กลับมาจากสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ต่างกันผู้ที่ลงมาจากที่สูงนี้จะลงมาด้วยวาสนาบารมีถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีวาสนามีบารมีเช่นมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่องใสสวยงาม มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีสติมีปัญญามีความรู้ความสามารถมีจิตใจใฝ่บุญใฝ่กุศลมีจิตใจไม่ชอบทำบาปทำกรรมส่วนผู้ที่กลับมาจากเบื้องต่ำกลับมาจากอบายนี้ก็จะมาแบบผู้ด้อยผู้เอาภาพวาสนาเกิดมายากจนรูปร่างหน้าตาไม่สวยงาม สติปัญญาไม่ฉลาดอาการไม่ครบสามสิบสองมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุไม่ยืนยาวนานอันนี้เป็นอันดีสองหรือเป็นผลของบาปที่ได้ทำไว้ยังมีติดมากับจิตเวลาที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะฝ่ายตำ่ำจะชอบทำชั่วชอบทำบาปชอบเสพอบายามุข สุร่ายามเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นเม็ดมีความเกลียดครา้านนี่คือคุณลักษณะของผู้ที่กลับมาจากอบายจะเป็นอย่างนี้ตรงกันข้ามกับผู้ที่ลงมาจากสวรรค์เป็นเหมือนคนละด้านของเหรียญเหรียญ น, นี้มีสองด้านมนุษย์ก็มีสองแบบ มนุษย์ที่ดีและมนุษย์ที่ไม่ดีนี่คือสิ่งที่เป็นผลจากการแสวงหาความสุขด้วยการทําบุญหรือด้วยการทําบาปและสําหรับผู้ที่หาความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบนั่งสมาธิก็จะได้ไปเกิด บนสวรรค์ชั้นพรมแล้วพอกำลังของสมาธิหมดไปก็จะเลื่อนลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพและจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะเลื่อนกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของผู้ที่ทำบุญและทำบาปต่างๆาถึงแม้ว่าจะหาความสุขด้วย โดยการนั่งสมาธิหาความสุขภายในใจแต่ความสุขภายในใจนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำลายตันหาความอยากมีความสุขต่างๆได้เพราะว่าเป็นเหมือนหินทับหญ้านั่นเองเวลากำลังของสมาธิหมดไปความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะฉุดลากใจให้ลงไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสของชั้นเทพก่อนแล้วก็เลื่อนออกอมาเสพ รูปเสียงกล่นลดของชั้นมนุษย์ต่อไปแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้รู้จากวิธีที่จะตัดภพตัดชาติยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนก็จะสามารถออดับความทุกข์ หาความสุขภายในใจได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะที่เข้าไปในสมาธิเทนัน้นเวลาออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาและเวลาตายไปก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้ามีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้สั่งผู้สอนหรือมีพระอาลหาันตสสาวก เรือมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคอยสั่งคอยสอนผู้ปฏิบัติก็จะสามารถที่จะทำลายรากเหง้าของการเวียนว่ายตายเกิดได้รากเหง้าก็คือโมหะอาวิชชาความหลงความไม่รู้ว่าความสุขจริงนั้นอยู่ที่ใจและการรักษาความสุขที่อยู่ภายในใจนี้ต้องรักษาด้วยปัญญา ด้วยการทำลายตัณหาความอยากต่างๆด้วยการเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆที่ตัณหาความอยากอยากได้อยากมีไว้เสร็ไว้เป็นสมบัติเห็นไตรลักษณ์ถ้าเป็นเรื่องต่างๆเห็นอสุภะถ้าเป็นเรื่องของกามอารมณ์เห็นนะเห็นอาหารโดปฏิกูลสัญญา เห็นความสปกปรกความไม่น่ารับประทานของอาหารถ้าเป็นเรื่องของความอยากในอาหารนี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาทำลายตันหาความอยากต่างๆที่เกิดจากความหลงหลงเห็นว่าอาหารนี่น่ารับประทานสวยงามเวลาจัดไว้ในถ้วยในจานนี้เห็นแล้วน้ำลายไหล แต่ถ้าไม่อยากจะให้น้ำลายไหลก็มองไปเวลาที่มันอยู่ในปากเวลาที่อยู่ในท้องหรือเวลาที่อยู่ในลำไส้ให้คิดอย่างนี้ก็จะเผนจะหยุดความอยากได้ถ้าคิดอยากจะได้คนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ครองก็ดูอสุภะของเขาแล้วดูความตายของเขาเวลาเขาตายแล้วจะมีความสุขกับเขาได้หรือไม่ นี่คือปัญญาที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบเพราะทรงพบเห็นว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากต่างๆและความอยากต่างๆนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดและสิ่งที่จะทําลายความอยากได้นี้ก็คือปัญญาตายรักษณ์นี้เองอันนี้จังทุกขังอนัตตา อสุภะอาหารเลยปฏิกู ล, ลสัญญานี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าสงสอนให้ผู้เจริญปัญญาต้องหมั่นพิจารณาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วหมั่นพิจารณาดูความไม่เที่ยงของสุขสิ่งทุกอย่างของทุกสัตว์ทุกบุคคลมีเกิดแล้วก็มีตายมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อย ดูร่างกายก็ดูให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามดูอาหารก็ดูให้เห็นว่าไม่น่ารับประทานแต่จะรับประทานก็รับประทานเพื่อร่างกายแต่จะไม่รับประทานด้วยความอยากถ้าเห็นว่ามันไม่น่ารับประทานนี่คือวิธีที่จะสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะได้ทําลายตันหาความอยากต่างๆให้หมดไป เมื่อตัณหาตา่ตางๆได้ถูกทำลายหมดความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปวิมุตติก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็เป็นผลที่จะปรากฏขึ้นมาต่อไปนี่คือคุณธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ผู้ที่มีความปรารถนาต่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อมรรคผลนิพพานให้มันบำเพเ็ญให้หมันเจริญให้มากๆาก เพื่อที่จะได้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตนเองปรารถนาคือหนึ่งให้มีความมักน้อยสองมีความสันโดษสให้ปริกวิเวกสี่ไม่ให้คุก ค, คลีกัน 5. ้าให้มีความภาคเพียรตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับหให้รักษาศีลของนัก บ, บวชให้ได้ตลอดเวลาเจ็ด ให้หมันนั่งทำใจให้สงบเป็นสมาธิหลังจากได้สมาธิแล้วก็ให้เจริญปัญญาให้พิจารณาอานิจจงทุกขังอนัตตาให้พิจารณาอาสุภะให้พิจารณาอาหาเรเลยปฏิกูลสัญญาให้พิจารณามรา น, านุ ส, สติให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วปัญญาก็จะเข้าไป ทำลายตันหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดไปจากใจได้พอใจไม่มีตันหาความอยากหลงเหลืออยู่แล้วใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นใจที่เราเรียกว่านิพพานเป็นใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังเกิดจากการบำเพ็ญ การเจริญคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เจริญนี้เองจึงขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตรพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้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 จันโทปนณราโสยทามนิโชติอราโสยทัสพีติโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศิลิสานิจจังวุทฒาปจายโน จต <B ani. S 1> ารโธรรมวทานติอายุวโนสุขังภาลังตอนนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ปิดไมโครโฟนเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุ ญ, ญาต ไม่ถามตอบปัญหากันต่อถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ยกมือได้แล้วเดี๋ยวจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้าไม่ถามเดี๋ยวช่วยกรุยาส่งไม้ไปให้พิธีกรหน่อย อ, มมอ่าอเดี๋ยวเอาเอาไมโครโฟนกรุณาพูดใกล้ๆหน่อยจะได้ยินเสียงชัดๆเปิดไม้ก่อนสวัสดีค่ะหลวงตาคืาว่าหนูจะถามว่า คือมันมีคนที่มามาหาหนูแล้วเข้ามาแทงแล้วมาทาแทงใส่บ้านหนูอย่างเงี้ยค่ะจันคือแบบแต่เราไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเราไม่รู้กับเขาว่าเขาจะมาทําอะไรอ่ะงเค่ะเราจะมีส่วนอ๋อไม่มีหรอกใครทําอะไรก็ต้องเป็นคนรับผลของเขาไปถ้าเราไม่มีส่วนร่วมในการกระทําด้วยค่ะอย่างไม่ต้องไปกังวลค่ ะ, ะแล้วที่เด็กหลุดใส่บ้านเราล่ะคะหลวงตา หลุดยังไงคือเขาหลุดในห้องน้ําบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงเวลาเขาไปคลอในห้องน้ำอย่างนี้เลยแล้วเด็กเป็นยังไงก็เรื่องของของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอไม่เกี่ยวกันอเราไม่ได้ทําห้องน้ําให้เขามาทําหลุดอย่างนั้นนะเขาไปทําหลุดของเขาเองไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลขอบคุณค่ะ ขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหลายคาถามหน่อยนะเจ้าค่ะเอาทีละ<ข>คำถามเา้าค่ะคำถามแรกเจ้าค่ะคือว่าพอดีว่าบ้านของรุ่นพี่โยมมีปลวกทีนี้รุ่นพี่ไม่อยากไปฆ่าปลวกมไม่อยากฉีดยาทำยังไงดีถึงจะไม่เป็นการผิดศีลเจ้าค่ะคือมันก็มีสองวิธีวิธีหนึ่งก็ปล่อยให้มันกินบ้านไปสองก็ทำตามตามตา ม, ตามโลกเขา S <S <an> คือมีคนเขาจะมาขอรับอาสาทำบาปแทนเราเช่นบริษัทกำจัดปลวกต่างๆเราก็โทรไปแจ้งบอกเขาเท่านั้นว่าที่บ้านมีปลวกแต่เราอย่าไปสั่งให้เขามาก็แล้วกันเพียงแต่แจ้งความเป็นแค่ประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะแล้วถ้าเขาขออาสาผมจะมาทำเองนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้สั่งเขาให้ทำเพราะทางโลกคนบางคนเขาไม่เชื่อว่าเขาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเขาเชื่อเรื่องเงินเรื่องทอง งั้นเขาก็จะยินดีที่จะมาทําบาปแทนเราก็ปล่อยเขาทําไปแต่ถ้าเราไม่อยากให้เขาทำบาปแล้วก็ปล่อยให้บ้านมันปลวกกินไปหรือ <c oughs> หาวิธีกอ่อาวว่าอย้ายให้มันขยายหาวิธีทําให้มันกินเฉพาะส่วนที่มันกินไปส่วนที่มันไม่กินก็มันจะได้ไม่กิน <ช>ถ้าเราอยากเป็นคนที่มีศีลบริสุทธิ์อยากจะเป็นพระเวสสันดรก็คิดว่าบริจาคบ้านให้ปลูกไปก็แล้วกันจะค่ะคำถามต่อไปเจ้าค่ะคือการที่โยมได้มีโอกาสเข้าไปช่วยงานครูบาอาจารย์หรือว่าบางทีเป็นต้นบุญที่บอกบุญไปบางทีจิตโยมมีความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการทาบุญแต่ละครั้งแล้วเหมือนกับว่ากลัวว่าจะไปทา เผลอไปทําบาปโดยที่ไม่รู้ตัวหรือเผลอทําเงินตกหล่นเผลออะไรอย่างนี้เจ้าค่ะหรือว่าบางทีออการปฏิสันภัติการกา ร, การพูดคุยกับครูบาอาจารย์แล้วกลัวว่าทำพูดหรือบางคําที่เราอาจจะเผลอไปโดยไม่รู้ตัวเจ้าค่ะอย่างนี้ต้องวางใจยังไงต้องทํำยังไงเจ้าค่ะก็ต้องเวลาพูดก็ให้มีสติคิดก่อนคิดให้ดีก่อนแล้วค่อยพูดถ้าไม่มีสติพูดไปตามอารมณ์นี่มีโอกาสที่จะพูดแล้วทําให้เกิดความเสียหายได้ การจะพูดอะไรนี้ท่านก็พูดท่านก็บอกเราว่าก่อนที่เราก่อนที่จะพูดนี้เราเป็นเจ้านายของคำพูดแต่พอเราพูดไปแล้วเจ้ามันจะเป็นเจ้านายเรามันจะทำให้เราต้องไปรับผลต่างๆจากการที่เราพูดดังนั้นท่านบอกให้ไข้ควรวญให้ดีก่อนเสมอก่อนที่เราจะพูดอะไรถ้าไม่ได้ไข่ควรวญก็หุบ ป, ปากดีกว่าถ้าไม่มั่นใจ ต้องฝึกสติฝึกนิสัยว่าจะเวลาจะพูดอะไรนี้ต้องมีสติให้รู้ว่าเรากำลังจะพูดอะไรสิ่งที่พูดนี้เป็นคุณเป็นโทษอย่างไรค่ะคำถามต่อไปเจ้าค่ะคือโยมผัดภาวนาแล้วก็เหมือนกับฟังธรรมครูบาอาจารย์แต่รู้สึกว่าตื่นเช้ามาเราภาวนาหรือเราสดมนนี่ยจิตมันไม่ใสจิตรู้สึกว่าเขาคุน แต่ว่าเราก็พยายามหยุดตลอดอะคะ่ะไม่ทราบว่ามีวิธีแก้อย่างไงก็ต้องพยายามภาวนาไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็ใสเองเหมือนกับแกงแ ก, ง, แกงน้ำที่ขุนด้วยสารส้มถ้าแก่งทีลกเดียวแล้วก็หยุดแก่งมันก็จะไม่ใสถ้าเราแกางไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวสารส้มมันมีโอกาสที่จะละลายในน้ามันก็จะทำให้ตกตะกอนน้ำก็จะใสขึ้นมาถ้าเราหมั่นจริญสติอยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาที่เรานั่งเท่านั้นเราควรจะฝึก น, นิสัยจเจริญสติในชีวิตประจำวันเช่นเราทําอะไรถ้าไม่จําเป็นจะต้องใช้ความคิดก็บริรรมพุทโธพุทโธไปเช่นตื่นขึ้นมาลืมตายังไม่ต้องคิดอะไรก็พุทโธพุทโธไปเตรียมตัวไปทํางานเตรียมตัวไปรับประทานอาหารก็พุทโธพุทโธไปหรือจะเฝ้าดูการกระทําของร่างกายก็ได้ ดูว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทาอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องคิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องที่จำเป็นก็หยุดยืนเฉยๆโดยนั่งเฉยๆแล้วให้มีสติอยู่กับความคิดไปคิดให้มันเรียบร้อยพอคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาเฝ้าดูร่างกายหรือว่าบริกรรมพุทโธไป อันนี้จะทำให้เรามีสติทำให้ใจไม่ลอยไปลอยมาใจไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ทำให้ว้าวุ่นขุนมัวขึ้นมาสิ่งที่ทำให้ใจเราไม่ใสก็คือความคิดของเรานี่ความคิดของเราเนี่มันคิดแล้วทำให้ใจเรามัวหมองเศร้าหมองเพราะมันถูกอำนาจของความหลงพาให้คิดไม่ใช่อำนาจของธรรมพาให้คิด ถ้าเปนำนาจของธรรมพาให้คิดมันจะใสแต่เราไม่มีธรรมเรามีแต่โมหะมีแต่ความหลงมันก็เลยคิดไปในทางโลภโกรธหลงคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ทำให้ใจวุ่นวายขึ้นมาดัางนั้นเราต้องหยุดความคิดเหล่านี้ด้วยการเจริญสติใช้พุทธโธก็ได้หรือใช้การดูร่างกายเฝ้าดูร่างกาย การเคลื่อนไหวของร่างกายการกระทาของร่างกายในทุกิริยาบทถ้าเรามีสติอย่างนี้เวลามานั่งมันก็จะทำให้จิตสงบได้ง่ายและเร็วใจก็จะสงบผ่องใสขึ้นมาแล้วทำไมเวลาบางทียมพุทโธหรือแบบบางทีมันไปคิดที่อะไรที่มันไม่ดีเร็วๆอย่างนี้นเาค่ะแล้วเรายิ่งไปพุทโธพุทโธใส่ใส่เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะยิ่งแบบ เร่ขึ้นมัเรือยขเราอย่าไปใส่เขาเลยเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเราอย่าไปสนใจเขาเขาจะคิดก็ปล่อยเขาคิดไปเพราะว่ากำลังเขามากเราไม่สามารถที่จะหยุดเขาได้เพียงแต่ว่าเราอย่าไปสนใจอย่าไปให้ความสำคัญกับเขาให้เราให้ความสำคัญอยู่กับพุโทโธเหมือนกับเวลาเราคุยกับคุยกันท้งโทรศัพท์หรือคุยต่อหน้ากันแล้วมีเด็กมาร้องเรียกแม่จ๋าแม่จ๋าข อ, ขอนู่นขอนี่ เราก็ไม่ต้องไปสนใจเด็กใช่ไหมเราก็คุยกันต่อไปเดี๋ยวเด็กมันก็เหนื่อยมันก็หยุดเองแล้วมันจะเป็นบาปไหมคะไอสิ่งที่คิดขึ้นมาถ้ามันเป็นสิ่งทอ๋อมันเป็นถ้ามันยังอยู่ในใจนี่ยังไม่เป็นบาปไหมเป็นเพียงแต่กุศลเรื่อนกุศลอ่ามันก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจทุสุขใจเท่านั้นเองแต่ยังไม่มีบาปมีกรรมไม่มีเวรกับใครแต่ถ้าไปพูดแล้วไปกระทํานี่มันถึงจะมีเวรมีบาปตามมาจุกๆค่ะ กับ เ, เวันก่อนหลวงพ่อสอนเรื่องของบอกว่าท่าสี่นี่มันเป็นท่าที่มันไม่เสื่อมแล้วก็มันเ อ, อคงความเป็นทาตัอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นอนไรจังอแต่ว่าก็สะเพรอะมานัตตาอยากจะให้หลวงพ่อเมตตาช่วยอธิบายความเป็นอ น, นัตตาของท่าสี่คือมันเปลี่ยนตลอดเวลาหรื อ, อยังไงครับหลวงพ่อ อ๋ออนัตตาก็คือมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้อยู่ภายใต้การสั่งของไข่ของจิตดวงใดจิตเหล่านี้ไม่สามารถไปสั่งให้ฝนฟ้าอากาศตกหรือไม่ตกอย่างนี้สั่งไม่ได้ภาชนะจะให้หยุดไม่ให้ขึ้นไม่ให้ลงนี้เราไปสั่งมันไม่ได้ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติคำว่าธรรมชาติก็คือ มันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใจของของเรานั่นเองส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่าเรามีอะไรแล้วเราสั่งมันได้ซึ่งในระดับหนึ่งเราก็สั่งมันได้ร่างกายนี้เราก็สั่งมันได้ในระดับหนึ่งสั่งให้มันเดินสั่งให้มันวิ่งสั่งให้มันกินให้มันนอนนี่ก็สั่งมันได้แต่วันดีคืนดีมันจะไม่สั่งเราก็สั่งมันไม่ได้ ในการที่เรายังสามารถสั่งมันได้มันก็เลยคิดว่าเราทําให้ละหลงคิดว่ามันเป็นของเราอยู่ภายใต้อํานาจของเราแต่พอมันเริ่มพย์ขึ้นมาเริ่มไม่ทําตามคําสั่งของเราเราก็เลยเสียใจทุกข์ใจขึ้นมาท่านถึงสอนให้เรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าทุกอย่างมันไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของเรามันดีคืนดีมันก็พย์ได้มันก็จะดื้อได้จะฝืนคําสั่งของเราได้ แล้วเมื่อมันฝืนคำสั่งเราไม่ได้รังใจเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีคำสั่งเราเอาอย่างไงก็ได้อย่างคำว่าสันโดษสั่งแล้วเขาไม่ทำตามก็ได้ทำตามก็ได้อย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์พอเรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วว่าอาจจะมีโอกาสที่เขาไม่ทำตามเราสั่งก็ได้แม้แต่คนใช้เราคนทำงานกับเราคนกินเงินเดือนกับเรานี่มันดีคนดีเขา อาจจะไม่ทำตามที่เราสั่งก็ได้เขาพร้อมที่จะออกจากงานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อต้องพิจารณาไว้เพื่อเราจะได้ไม่ทุกเวลาที่มันไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเราหรือพิจารณาเพื่อให้เราลดละความอยากของเราถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะเรื่องราวต่างๆนี้ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะไม่ทาไม่ได้ตัง ไม่ได้ดังใจอยากแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่วุ่นวายใจทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นคือคือดูที่ตัวเราเป็นหลักใช่ไหมดูที่ใจเราดูที่ความอยากของเราหยุดความอยากของเราแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดไปปัญหาต่างๆเกิดจากความอยากของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พออยากบ้างก็ต้องไปจัดการกับมัน ถ้าจัดการได้ก็สบายใจไปยกหนึ่งผ่านไปยกหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เจอความอยากใหม่อีกแล้วถ้าไปเจอสิ่งที่ไม่สามารถจัดการได้ดังใจอยากก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีความอยากหรือมีความอยากแต่รู้ว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้ายังต้องจัดการกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จัดการไปแต่มีปัญญาคอยเตือนว่าไม่แน่อาจจะไม่ได้ดังใจอยากก็ได้ คิดอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าอยู่ในโลกนี้ยังมีการทำงานทำอะไรอยู่ก็ต้องมีการจัดการดูแลมีการบอกมีการพูดมีการสั่งมีการอะไรต่างๆแต่จะถ้ามีปัญญา ก, ก็จะไม่ทุกเวลาที่ไม่ได้ตังใจอยากเพราะไม่ได้ทำด้วยความอยากได้อยากให้ได้เพียงอย่างเดียวได้ทั้งสองทางได้ก็ดีไม่ได้ก็ดี ก็คือความเป็นอนัตตานี่คือว่าใช้ใจเราเป็นหลักต่อสรรพสิ่งทั้งมวลที่อยู่ภายนอกเราใช่ไหมคือสอนใจให้เราปล่อยวางอย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆเพราะมันจะไม่ได้ดังใจอยากเสมอไปเพราะมันไม่แน่นอนมันอนิจจ์มันอนัตตาเราไม่สามารถวางเหมือนกับวางแบบหมากรุกหมาคอสได้ว่าวางตัวนี้ให้อยู่ตรงนี้ให้ไปตรงนั้นไปตรงนี้ ของมันเหมือนปูสะจับปูใส่กระด้งมากกว่ามันไม่ใช่เหมือนเล่นหมักลุกหมาคอดตัวหมักลุกหมาคอดนี่พอเราจับมันวางไว้ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นนะมันไม่ย้ายที่แต่ปูนี่เราจับมันไว้ในกระด้งดูสิจับมันเข้าไปเดี๋ยวมันก็หลัหมดนีการดีจังอันอนี้การดีจําอนหนตานี่เห็นไหมต่างกันไม่ได้ต่างกให้มันไม่ให้ดับไม่ได้ ถ้า ม, ม, มันมันล้วก็มีขอมาแทนก็ได้พอมันดับก็เอาตัวใหม่มาแทนันแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เลิกประชุมกันกับทาานั้นเองไม่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายตรงไหนคำถามจากทางบ้านจากคุณซิริมารเมื่อจิตรวมแล้วนิ่งต้องพิจารณาอย่างไรคะเอาไปลานิ่งก็ให้ใช้สติ ควบคุมประคองความนิ่งนั้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะ อ, ออกจากความนิ่งจนกว่ามันจะเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วถึงค่อยจเจริญปัญญาต่อไปพอจิตเริ่มคิดได้ก็อย่าปล่อยให้มันคิดไปในทางของกิเลสอย่าไปคิดในทางโลภ ก, กดหลงอย่าไปคิดในทางความอยากให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากดูอยากฟังให้คิดว่า สิ่งต่างๆที่เราอยากดูอยากฟังอยากมีอยากเป็นนี่มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะให้มันอยู่กับเราเป็นไปตามความอยากของเราได้ตลอดถ้ามันไม่เป็นเราก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากคำถามเจ้าคุณสมศักดิ์เวลาคนไปทำบุญไปปฏิบัติภาวนาแล้วเจอใครมักจะบอกเขาว่า เอาบุญมาฝากอยากเรียนถามว่าแบบนี้ฝากได้จริงจริงหรือครับฝากไม่ได้หรอกบุญใครบุญมันนี่ถ้าฝากได้ก็ดี ไ, ไปเที่ยวไปดื่มเหล้ากินเหล้าแล้วก็รอ้อยเพื่อนกลับมาบอกเอาบุญมาฝากคำถามจากคุณวีรพง์ผมเป็นคนคิดไม่หยุดครับเช่นเวลาเห็นคนอื่นผมก็จะคิดในทางที่ไม่ดีต่อเขาแต่ผมไม่ชอบ ความคิดนี้เลยครับรู้สึกเป็นทุกข์มากและเวลานั่งสมาธิมันก็คิดเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นเรื่องลามกเรื่องต่างๆที่ไม่ดีและด้วยเหตุที่คิดมากอย่างนี้ผมก็เลยต้องเลิกนั่งสมาธิไปเพราะผมกลัวบาปครับแต่ในใจผมลึกๆแล้วไม่มีความคิดนั้นเลยขอพระอาจารย์แนะนำทางปฏิบัติด้วยครับความคิดของเราเนี่ก็เป็นเหมือนรถยนเน รถยนต์นี้ก่อนที่เราจะออกไปวิ่งนี่เราต้องมีความมั่นใจว่าเราสั่งให้มันหยุดได้ถ้าเราไม่มีเบรกนี่เราจะกล้าเอารถไปวิ่งไหวิ่งข้างนอกวิ่งโดยไม่มีเบรกเดี๋ยวมันก็ชนกันอ่ฉัในใดใจของเราความคิดของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์และสิ่งที่จะหยุดความคิดของเราได้ก็คือสติเหตนั้นถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องพยายามสร้างสติขึ้นมา ถ้าเราไม่มีสติความคิดของเรามันก็จะคิดไปแบบที่ว่านี่แหละคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติพอเรารู้ว่ามันคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวมันก็หยุดหรือว่าถ้ามีสติสั่งให้มันหยุดมันก็จะหยุดได้ถ้าสติไม่พอก็ต้องใช้พุโทโธช่วยสร้างสติขึ้นมาแั้นหัดหัดบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆอันนี้ บุตโตนี้จะทําให้ใจมีสติจะทําให้ใจมีเบรกจะทําให้ใจหยุดคิดได้ทั้งคิดเรื่องดีก็ได้ยดดดไดหยุดคิดเรื่องดีก็ได้หยุดคิดเรื่องไม่ดีก็ได้เวลาต้องการความสงบนี้ต้องหยุดคิดหมยเรื่องดีก็ไม่คิดเรื่องไม่ดีก็ไม่คิดเพราะถ้าคิดมันก็จะไม่สงบคําถามจากคุณทีลาวีภาวนาจนคําบริกรรมเงียบไปและลมหายใจหายไป แล้วต้องทำอย่างไรต่อครับก็ให้มีสติรู้ตามตามความเป็นจริงให้สักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆคำถามจากคุณนัธภัฒนทำอย่างไรจิตถึงจะรวมเร็วๆคะก็ต้องมีสติมากๆถ้ามีสติมากๆนั่งห้านาทีสิบนาทีก็รวมได้คำถามจากคุณลัดดาวันขณะภาวนาถ้ามีแสงสว่างปรากฏจะพิจารณาอย่างไรต่อไปคะ ไม่ให้ไปสนใจให้เราภาวนาต่อไปถ้าเราพุโทโธก็พุโทโธต่อไปถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปอย่าไปตามดูแสงอย่าไปเล่นกับแสงเพราะว่าเราจะไม่ได้ภาวนาแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จ ะ, ะก้าวหน้าไปได้าจากจุดนั้นเราก็พอเราหยุดภาวนาก็เหมือนเราขับรถแล้วหยุดเช่นเราขับรถจะเดินทางกลับบ้านระหว่างทางไปมี งานวัดเราก็เลยหยุดรถแวะไปเที่ยวงานวัดถ้าเราไปเที่ยวกับงานวัดเราก็ไม่ได้นั่งขับรถเราก็จะไปไม่ถึงบ้านฉันใดเวลาเราภาวนาเนี่ยเราต้องการไปบ้านบ้านของเราก็คือความสงบความนิ่งความว่างมันจะพาเรามันจะไปถึงได้ก็ต่อเมื่อเราบทภาวนาไปเรื่อยๆเช่นบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆเลือดูลมหายใจไปเรื่อยๆอย่าหยุดไม่ว่าจะมีอะไรมาปรากฏระหว่างทาง มีแสงมีเสียงมีรูปมีกลิ่นมีรสมีอะไรต่างๆอย่าไปให้ความสนใจกับมันเหมือนกับขับรถไปแล้วอย่าไปแวะซื้อข้าวหลามที่น้องมนอย่าไปแวะเมืองชนแวะที่นูน่นแวะที่นี่เดี๋ยวไปไม่ถึงบ้านคำถามจากผู้ฝากถามจากที่ปฏิบัติมาสักพักหนึ่งเกิดอาการบางอย่างเกิดขึ้นคือมีอยู่วันหนึ่งไม่ได้นั่งสมาธิ ไม่ได้เฝ้าดูอาการแต่มันเกิดเหตุการณ์เฉยไม่รู้สึกนึกคิดไม่ปรุงแต่งทุกอย่างว่างหมดมันคืออาการสงบใช่ไหมคะแต่ก็สงสัยว่ามันว่างเหมือนคนง่วงหรือเปล่าขอพระอาจารย์ช่วยไขยข้อของสงสัยด้วยค่ะถ้ามันสงบแล้วมีสติรู้อยู่มันก็เป็นความสงบของสมาธิ ถ้ามันง่วงนี่มันก็อาจจะเป็นความสงบของความง่วงนอนก็ได้อยู่ที่ถ้าไม่มีสติมันก็แบบครึ่งหลับครึ่งตื่นอย่างนี้ก็แบบว่าสับประกสง บ, บแบบสับประกแต่ถ้ามีสติมีความตื่นตัวรู้สึกตัวตลอดระหว่างก่อนที่มันจะสงบและระหว่างที่มันสงบนี่ก็ถือว่ามันเป็นความสงบของสมาธิอ่านในทางนี้อยากจะถามอีกน ข อ, ข, อขออีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะเขาอาจทราบจิตรวมเป็นอย่างไรเจ้าค่ะก็ต้องพูดโธพูดโธไปแล้วเดี๋ยวก็จะรู้เองว่ามันรวนเป็นอย่างไรเพราะอธิบายไปมันก็เหมือนกับบอกคนที่ตาบอดว่าสีแ ด, ง, <c oughs> ดงเป็นอย่างไรพูดไปอย่งนีก็สงสัยอยู่ดีงั้นบอกให้ลืมตาดีกว่า <c oughs> ลืมตาสิลืมตาแล้วก็จะรู้ว่าสีแดงสีดําเป็นอย่างไร <c oughs> จะรู้ว่าจิตรวนเป็นอย่างไงก็พูดโธไปสิ พุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปหยุดอย่าไปคิดเรื่องอะไรเดี๋ยวก็เห็นเองะน ะ, ะเอาอย่างนี้ดีกว่างั้นคนอธิบายเหนื่อย <c oughs> อธิบายคนหลับตาไม่ยอมลืมตาขี้เกียจลืมตากัน <c oughs> แล้วก็ชอบไปถามเขาว่าสีแดงเป็นยังไงสีดำเป็นยังไง <c oughs> นะพุทโธไปเป็นการลืมตาในถ้ามีพุทโธเดี๋ยวตาในก็สว่างขึ้นมาเห็นความสงบว่าเป็นยังไงเห็นตัวรู้ว่าเป็นอย่างไร กรา บ, บเรียนถามเจค่ะคือภาวนาแต่ว่าปกติจะเป็นการดูลมทีนี้คือเคยทํามานานหลายอย่างแล้วอะค่ะว่าอาจจะดูทางทางต้นลมแล้วก็ดูที่ท้องแต่ว่าปกติที่ทําเนี่ยก็คือจะดูที่ท้องทีนี้มันอยู่บางครั้งว่าพอเราทําไปจนมันสงบแล้วมันนิ่งกลายเป็นว่าตรงจมูกตรงตรงที่ปลายจมูกมันจะชัดกว่าแล้วมันกลายเป็นว่าสติมันไปจับตรงนั้นแทนนะคะทีนี้มันเกี่ยวกับว่า เรื่องคือความเพียรของเราเดี๋ยวสติมันน้อยด้วยไหมคะคือมันเหมือนกับวนกลับขึ้นไปจับบนแทนที่เราดูอยู่ที่ท้องนะคะจะดูตรงจุดไหนก็ได้ที่จุดไหนมันทำให้สติเราตั้งมัน่นทำให้จิตเราตั้งมัน่นไม่ลอยไปลอยมาก็เอาจุดนั้นก็พอได้จุดนั้นแล้วก็พยายามให้มันอยู่ตรงจุดนั้นไปอย่าให้มันหลอกเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆนี่ก็แสดงว่ามัน มันไม่มันไม่นิ่งควรจะให้มันอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งถึงแม้ว่าจะเคลื่อนจากจุดเดิมแล้วมาอยู่จุดหนึ่งถ้าเคลื่อนมาเพื่อให้มีความนิ่งความมั่นคงก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคือแล้วถ้าดูที่ท้องคือว่ามันนิ่งเงียบไม่เห็นอะไรเราเราก็คือเราจะดูเป็นอริยบทหรือว่าเป็นจับจากเสียงภายนอกได้ไหมคะว่าเอนนั่งนะไม่ไม่ต้องการรับ รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยค่ะให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวพุทโธก็ได้นมหายใจก็ได้ค่ะถ้าลมมันนิ่งเงียบไปแล้วเราเราก็อยู่กับมันอย่างนั้นอยู่กับความนิ่งอยู่กับความนิ่งอย่างนั้ น, น, น, นรู้ไปให้มีสติรู้อยู่กับความนิ่งความว่างไปค่ะแม้มันยังอาจจะไม่รวมแต่ก็ให้รู้ไปเรื่อยๆอย่าไปคิดปรุงแต่งอย่าไปวิาพากษ์วิจารณ์ว่าลมนิ่งแล้วจะทายัางไงดีต่อไป ก็ให้รู้เฉยๆว่ามันนิ่งแล้วถ้ามันมีความคิดขึ้นมาเนี่ยคือหยุดมันอย่าให้มันคิดกลับมาดูที่ลมแล้วหยุดถ้าเรามีสติปั้นมันก็หยุดได้ค่ะก็แค่รู้ว่าเราคิดรู้ว่าคิดแล้วก็อย่าคิดหยุดคิดถ้ามันดื้อจะคิดก็แสดงว่ามันไม่นิ่งมันก็ใช้พุทโธก็ได้หรือใช้ดูลมต่อไปก็ได้อีกคาถามลืม ออถ้าสำหรับผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตหรือว่าอย่างนี้ค่ะเราควรจะช่วยเขาได้วิธีไหนยังไงคะก็แล้วแต่ว่าเขาจะรับได้วิธีไหนเหมือนกับคนนี้มันมีหลายระดับเหมือนเด็กผู้ใหญ่เนี่ยการที่เราจะสอนเราจะบอกใครเขานี่ก็ต้องดูว่าเขาจะรับอะไรได้เขาจะรับ ระดับสมาธิได้หรือเปล่าก็าจะรับระดับปัญญาได้หรือเปล่าถ้ารับระดับปัญญาไม่ได้รับได้แต่ระดับสมาธิก็บอกให้เขาทําสมาธิไปเช่นสวดมนต์ไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปบริกรรมพุทธโธไปดูลมหายใจไปถ้าเขารับระดับปัญญาได้ก็บอกว่าให้เขาแยกใจของเขาให้ออกจากร่างกาย เ่าใจเป็นผู้รู้ผู้คิดใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟกำลังจะกลับไปสู่สภาพเดิมต้องปล่อยวางอย่าไปอยากห้ามไม่ได้เขาเป็นอนัตตาอยากให้เขาไม่ตายไม่ได้ถ้าเขาจะตายก็ต้องปล่อยเขาตายอยากให้เขาอยู่ก็ไม่ได้อยากให้เขา เ, เวลาเขาจะตายอยากให้เขาอยู่ก็ไม่ได้เวลาเา อยู่อยากจะให้เขาตายก็ไม่ได้ถ้าเขายังไม่ตายก็ต้องอยู่กับเขาไปถ้าถ้าปล่อยวางปล่อยเขาไปตามธรรมชาติของเขาเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราไม่มีความอยากให้เขาอยู่หรืออยากให้เขาไปก็คือถ้าเขาแยากพยายามแยกแล้วก็คือให้เขาอยู่กับสมาธิไปใช่ไหมเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะเอาเลย อาจารย์คะปัญญาอบรมสมาธิกับภาวนาเมาย์ปัญญามันต่างยังไงก็มันปัญญามันที่อบรมสมาธิแสดงว่ามันมันยังไม่มีสมาธิมันก็ใช้เป็นจินตามมาย์ปัญญาแล้วก็อบรมซัทําให้จิตให้สงบจิตมันฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็วิเคราะห์เขาว่าเป็นไตรลักพอวิเคราะห์ปล่อยวางเขาได้มันก็สงบมันก็สงบพอสงบแล้ว จะเรียกว่ามันเป็นภาวนามย์ปัญญาก็ได้แต่ตอนที่มันทำนะั้นมันยังไม่ได้เป็นภาวนามย์ปัญญาแล้วมันอาจจะไม่สงบก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะ อ, อปร่งได้หรือไม่ได้ถ้าเราโปร่งได้มันก็เป็นภาวนามย์ปัญญาขึ้นมาอภาวนามย์ปัญญานี่มันเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสใช่ไหมครับอาจารย์ทั้งสองอันมันก็ฆ่ากิเลสเหมือนกันเองแต่ว่า ถ้าเป็นภาวนามย์ปัญญานี่มันคล้ายๆว่ามันมันเข้าไปได้ลึกกว่าไปหาเรื่องที่มันยากกว่าได้เรื่องที่ยากกว่าถ้าคนที่ไม่มีเพราะสมาธินี่มันจะทําไม่ได้แต่เรื่องที่ง่ายกว่าเช่นเรื่องภายนอกของร่างกายเรื่องของคนอื่นเรื่องของสิ่งของเหตุการณ์นี่มันพอจะใช้ใช้ใ ช, ใช้จินตามัยปัญญาดับมันได้ แต่เรื่องการปล่อยวางร่างกายนี้ถ้าไม่มีสมาธินี้ปล่อยวางมันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาวนามยยปัญญาเพื่อเราใช้ปัญญาชนิดนี้จิตจะต้องรวมเข้าสู่ความสงบทุกครั้งคือจิตต้องมีความสงบอยู่แล้วแล้วมันก็จะรู้ว่าเวลาเวลาปล่อยวางแล้วมันเข้าสู่ความสงบมันก็จะกล้าที่จะปล่อยวางคนที่ไม่มีสมาธินี้ไม่รู้ว่าจะไปปล่อยวางไว้ที่ไหน แต่มันก็ยังไม่ขาดถูกไหมอายมันปล่อยไม่ได้มันไม่ยอมปล่อยไม่ถึงว่าภาวนาปัญญาปัญญาเนี่ยอ ย, าย่างยกตัวอย่างเช่นพิจารณาเรื่องการมมันลมชัอสุภะและ้วพอจิตรวมเข้าสู่ความสงบเราหยุดได้นขณะนั้นหยุดปัญหาได้แต่มันก็ยังไม่หายเพราะฉะนั้นภาวนาปัญญาปัญญาต้องใช้หลายๆครั้งใช่ไหมอาจารย์จนกว่ามันจะขาดก็นั่นแหละจนกว่ามันจะขาดเนถ้ามันยังไม่ขาดก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆเหมือนกับฟันต้นไม้ ฟันครั้งเดียวมันอาจจะขาดก็ได้ไม่ขาดก็ได้อยู่ที่กําลังของคนฟันก็อยู่ที่ความคมของมีดถ้าปัญญาถ้ากําลังมากรีบรีบคมมีดคมอาจจะฟันหนงเดียวมันขาดเลยก็ได้ถ้ากําลังน้อยมีดไม่ค่อยคมมันก็ยังไม่ขาดก็ต้องฟันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขาดงั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องชื่อของมันมากจนเกินไปให้กังวลกับผลก่อนผลที่จะเกิดขึ้นก็แล้วกัน ถ้ามันทําให้ใจสงบได้ก็ถือว่าใช้ได้ก็แล้วกันแต่มันจะเป็นสงบแบบแบบชั่วคราวหรือสงบแบบถาวร น, นี่ก็ก็ดูไปถ้าสมมุติสงบแบบถาวรนีร่ก็คือขาดจากถ้ามันไม่มีปัญหาตัวนั้นมันก็ไม่มีปัญหาก็เรื่องนั้นอีกต่อไปถ้ามันยังมีก็แสดงว่ามันยังไม่มันยังไม่ถาวร อาจารย์เจ้าคะคือทุกครั้งก่อนที่จะภาวนานเนี่ยจาเป็นต้องเดินจงกรมไหมคะคือถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบเดินจงกรมอ๋อไม่ระ ก, การเดินจงกรมนี้เป็นการเปลี่ยนเอเรียบทของการปฏิบัติถ้าเรานั่งนานๆแล้วเมื่อเราก็ลุกขึ้นมาเดินเปลี่ยนเอเรียบทไปแต่าการปฏิบัติก็ยังเหมือนเดิมคือใจเรายังมิถ้าเจาริญสติก็เจริญสติต่อไปถ้าพิจารณาธรรมก็พิจารณาต่อไปได้เพียงแต่เปลี่ยนเอเรียบท่านั้นเองเพื่อให้ร่างกายมันไม่พิกลพิการ ถ้าอยู่ในเรืบทเดียวไปนานๆเดี๋ยวมันก็จะอพิการได้แล้วถ้าสมมติว่าเราตามรู้ในชีวิตประจําวันนะเจ้าค่ะคือเราเราใช้ความรู้สึกรวมได้ไหมเจ้าคะอย่างเช่นว่ายกไปอย่างนี้ก็คือเราก็รู้ว่ามันขึ้นไปขึ้นมามันไม่จําเป็นต้องไปรู้ละเอียดว่าตรงไหนเป็นยังไงอ๋อให้รู้รู้ว่ากําลังทําอะไรเท่านั้นเองรู้เพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเอง เป้าหมายของการรู้นี้เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวเรื่องที่เรากําลังทําอยู่ไม่ต้องละเอียดไม่ต้องช้าแบบว่ายกขึ้นวางเนอตักข้าวเข้าปากนาเนอเคี้ยวหนอะกินหนอไม่ต้องละเอียดถึงขนาดนั้นทํางานตามปกติกินไปตามปกติเดินไปตามปกติแล้วก็ใจดูมันไปเท่านั้นเองอไม่ ให้ใช้การดูการกระทํานี้เพื่อที่จะดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วถ้ามันมีเหมือนกับในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่ได้ตามดูรู้อย่างนี้สมมติว่าเราเรานั่งอยู่อย่างนี้แทนที่เราจะตามดูรู้เราใช้ดูลมหายใจของเราก็ได้ใช่ดู <ลม S 1> แทนหรื อ, อ, อดูลมแทนหรือใช้พุโทโธแทนใจยังต้องถ้าใจยังไม่นิ่งต้องมีอะไรคอยดึงไว้ ถ่านิ่งแล้วก็ไม่ต้องมีลมไม่ต้องมีพุโทโธแล้วถ้าเป็นคนความเพียร น, น้อยต้องทำยังไงเจ้าค่ะก็ต้องเพียรมากเพิ่มเวลาปฏิบัติให้มากขึ้น <c oughs> ต้องกําหนดเวลาถ้าไม่กําหนดเวลามันจะไม่ยอมทำเหมือนโรงเรียนไหมก็มีกําหนดตารางเรียนไว้เช้าเรียนวิชานี้ชั่วโมงต่อไปเรียนวิชานี้ถ้ามีตารางมันก็ต้องทาตามตารางถ้าไม่มีตารางเดี๋ยวมันก็ทะเละล ไปดูลายมั่งไปดูเฟซบุ๊กมั่งอยายยังมีใครอยากจะถามอะไรไหมอะไรหมอฮะฮะตำวันแล้วค่ะฮะอ่าดีมีตารางนะมีตารางเดี๋ยวต้องไปทำตารางกางด้านก่อนอืม ดี๋ยวเราไทตารางก่อนแล้วค่ะตันนี้ไม่มีอะไรถามนะไม่มีก็มีใครอยากจะถามอีกไหมอ้าวทางนู้นช่วยส่งไปกลับไปไหนพายแตงครับคือผมปรลกรรมพุทธโทรแล้วแบบมันยังมีความคิดเลยครับแล้วผมกอบพุทธโทรไปใหม่ๆไม่เป็นไรหรอกเพราะมันมันต้องแข่งกัน ความคิดมันไม่หยุดเพราะว่าเราบริกรรมพุทโธทันทีทันใดหรอกเหมือนกับเราแตะเบรกนี้รถมันยังไม่หยุดหรอกเราก็เหยียบเบรกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเหยียบเบรกโดยที่เราไม่ปล่อยเบรกเดี๋ยวรถมันก็ต้องหยุดเองอตอนต้นเราบริกรรมพุทโธมันจะคิดก็ปล่อยมันคิดไปแต่ความคิดมันก็จะช้าลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็หยุดคิดเองถ้าผมแบบพุทโธหนึ่งพุทโธสองเนี่ยได้ได้ ครับครับเ อ, อ่อทั้งนั้มีใครจะถามมาข้างหลังอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเวลาที่นั่งปฏิบัตินะคะบางครั้งจิตมันกระตุกเสร็จปุ๊บมันก็จะนิ่งแล้วก็ขณะที่เราหลับตาเนี่ยมันมืดนะคะปกติเวลาที่เราหลับตามันก็จะมี มีแสงที่เรารับรู้ได้แต่เวลาที่มันกระตุกปุ๊บแล้วมันมืดเนี่ยมันมืดสนิทเลยแล้วจิตมันก็เหมือนมันรวมไม่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเราไม่ต้องสนใจแล้วมันเป็นอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดลอดดับหรือว่ามันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้แล้วอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ให้พยายามทําใจให้สงบเพียงอย่างเดียวให้ใจมีสติก่อยควบคุมความคิดไปเรื่อยค่ะ พออยากจะรู้นี่มันก็คิดแล้วอย่าไปอยากรู้ค่ะมันมักจะสงสัยว่าเอ้มันคืออะไรสงสัยก็คิดอีกล่ะรู้ว่ามันเป็นอนิจจังเกิดแล้วดับก็พออนะแล้วก็กลับมาที่สติต่อไปเอมันมันคือเป็นสมาธิเหรอคะหรือเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรก็ถ้ามันกระตุกมันไม่เป็นหรอกสมาธิมันต้องว่างมันต้องนิ่งมันไม่มีอะไรแต่จิตเวลาก่อนที่มันจะสงบมันมักจะมีอาการแปลกๆให้เห็นอืม มือนตกตกลุมตกบ่ออย่างเงี้ยหรือมีอะไรมากดมาทุบหรืออะไรแล้วแต่แต่ละคนอาจจะมีไม่เหมือนกันก่ อ, อนที่มันจะสงบมันต้องวาดลวดลายนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วบางบางครั้งมันก็เหมือนกับว่า อ, อมันเหมือนกับมันจะลงอะไรสักพักสักนิดหนึ่งแล้วก็มันก็มีเหมือนสติกระโดดเข้ามาจับปุ๊บแล้วมันไม่ลงอย่างเงี้ยค่ะเราอย่าไปจับมันเลยแล้วกลับมาที่สติเราอย่าไปจับมันถ้าไปจับมันปั๊บมันก็เลยมันก็เลยหยุดเนี่ย เราต้องอยู่ที่พุทโธแล้วอยู่ที่อารมณ์ที่เราใช้ควบคุมใจค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอ่าหมดแล้วใช่ไหมอ่าั้งหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ